ขอกราบสวี ท, ทพุทธฟังรายการเสียงธรรมจากมาหาวิทยาลัยสิบปตุมน ท, ทุ่นท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมาหาวิทยาลัยสิบปตุมจะเป็นรายการสดโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตพงศ์มีประดิษฐ์ผู้มีการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปมาหาวิทยาลัยสิบุตุมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนีทางการกาบพัฒนาประเทศภูมิประเทศดีโลกวัดบวรใาวาิวิหารเป็นวิคอนตอบปัญหาครับ หมารเลโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้สายแรกมารออยู่นะครับขออนุญาตเข้าสายแรกเลยนะครับสวัสดีคับแฟนรายการค ร, กครับครับเาิสมัรการณ์ีย่อจะคุณครับไปจะปาําบปัญหาทั้งสามข้อครับครับผมข้อแรกรอยาจะถามว่าเอ่อตอนเล็กๆกลริ่งหลีประมาณสักเอ่าขวอะไรัไม่เข้เรียน ก็มีบ้านของหลังปัตตาหน้าลูกปัตตาช่วยดีมาด้วยถึงทงานจุจองและจุดังเสียงทนกอย่าหล่ากันต่ับไปก็หวานมงเหนเป็นเมฆนะแล้วก็เห็นขวาซ้ายเมืองทุกเป็นาจริงๆุขาเมมีเล้ไก่แต่ทบ้านไมได้เลไก่แล้วก็ขวามือตรงบ้านบ้านยิ่งหน่ก็มีขาวแลวแม่ดำแล้วมีตัวลำยังยิ่กว่า เออควแเมก็ดีไม่จะ่ป๊าป๊ตป๊ า, ปปาปมาอันนี้อยากจะถามมาคนหนึ่งนะมันใช่ตามาธิหรือเปลอแล้วก็สองอยากจะบอกกบบารบรรดาศักดิ์หลงพ่อว่าเออเคยมีครอบครัวทีนี้ก็อยู่คนเดียวเลิกกันวันี้่ด้วอ่ า, ากอาอา็อยู่คนเดียวาบ้านแถวนั้นแหะชววัชลแหะ ที่ได้อยู่นช่วแไ้อยู่ที่อ่าครับขอคาถามกระชับนิด น, น, นึงไดหครับพอดีสายรออยู่เยอะครับผมรัรนเออตรงนี้ก็คุณก็คุหนัีก็่องกรณีเขา่องไปท่องไปไม่เห็นตัวอยู่ว่ะเออใระหว่างท่องเ น, นี่ย มันจะไม่ได้คิดนิดโกดแล้วก็ไม่ไกลัวก็เลยเหนเพือีตรงนี้ก็เลยตังพอาจารย์สมชาติครับผมเพราอาจารย์ชาติก็ก็ลยผมเ็นเพ่อนเีง้อ้ยมันมันคิดนิดหน่ีเลนััว่าใช้สมาธิอาจารย์สมชาติาใช้อนาานะแต่นี้กันปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ช่อรับยไปอเรื่องนิดนึงนะปดิสายรออยู่เยอะมากเลยครับพะขอ้อสาเลยนะฮะ แต่ก็ดีดีดีนี้ก็มุ่งไปทีบนบนายไปนี้ก็เออโทษโทษนะครับพอดีสายรออยู่เยอะมากค่ะสรงบาทครับผมนี่ว่าใครครับครับครับคือว่าเออข้อแรกมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ก็เด็กมันก็มีจินตนาการครับก็จินตนาการตอนหนึ่งมันอาจจะภาพในอดีตมันย้อนกลับมาตอนระลับ แล้วก็อาจจะเกิดเป็นได้แต่มันไม่ใช่สมาธิหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสมาธิครับส่วนบทคาถาเนี่ยก็แน่นอนนะฮะก็ท่องมันมันมันก็คือจิตเมื่อเราอยู่กับเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ไปคิดเรื่องหนึ่งเมื่อจิตไปอยู่กับบทสวดไอ้จิตโกรธมันก็ไม่มีครับนะจิตโลภก็ไม่มีเกิดมันมันก็เป็นสิริมงคลอยู่ในตัวก็มันแล้วก็อะครับกรณีส่วนนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวกับอะไรกันครับกันเมียเมตสูตรเป็นสูตรกันผีต่อสู้กันผี คือพระถูกผีหลอกพระเจ้า ก, ก็สอนเรื่องการเนียเมตสุท้สวดจริงก็ข้างบนเป็นธรรมะนะสิบเจ็ดข้อเลวข้างหลังก็แผ่เมตตาอ๋อ oh, ครับท่ติทก็เป็นบทสวดทุกตุวันที่เขาสวดในพิธีมงคลเมตตัญญสสะปะโรกัสนียงอะ <Okay. S 2> แต่ว่าข้างข้างบนเนี่ยเขาเรียกการนียะเนยมเมตสุครับผมขอบคุณท่านผู้จัจการครั บ, ารบสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับ ต่อพอดีสายหลุดไปนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับโทรศสท์เข้ามาสอบถามปัญหากันมาเข้ามาได้ครับท่านคุณอาจารย์ครับเมื่อครั้งที่แล้วแฟนรายการหลายท่านนะครับอยากจะฟังมากเลยครับต่อท้ายรายการที่ท่านคุณอาจารย์บอกว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะถวายเป็นพระรากุศลต่อองค์พระบรมเนกายูหัวที่ท่านคุณอาจารย์บอกว่าให้ครองตนโดยธรรมกันนะครับเพื่อขยายกว้างกันนะครับคือคืออะไรก็ได้อย่างวันก่อนที่ในหลวงรับสั่งในมหาสมาคมวันก่อนรับสั่งทั่วประเทศอ่ะ คือว่าคนทั่วไปก็อาจจะฟังแล้ว ก, ก็ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่จริงแล้วเป็นสาลานยิยธรรม6กนะในหลืองท่านมาสรุปสรุปเป็นเป็นเป็นสี่ข้อคือหนึ่งให้มีความรู้สึกการทําการพูดการคิดต่อกันให้มีเมตตาต่อกันครับแล้วก็มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกั น, นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินยัยศีลเสมอกันแล้วก็มีปรับความคิดความเห็นในภาสานประโยชน์กัน กมหมายความว่ากับนคนนั้นเรารู้สึกเมตตากับสังคมเราเคารพกฎเกณฑ์ด้วยกันแล้วก็สิ่งทั้งหลายเรามีความเห็นชอบมันก็จบละอัอนคือคื อ, ค, อคือสรุปไ ป, ช ป, ญญปใช้ปัญญาเป็นหลักอ่ะใช้ปัญญาเป็นหลักหรือใช้เมตตาเป็นหลักกั บ, บสิ่งมีชีวิตเราเรามองด้วยเมตตาทําด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาแล้วกับเพื่อนฝูงต่างๆก็มีเฉลี่ยแบ่งปัน แล้วกับสังคมเนี่ยเราก็เคารพกฎเกณฑ์ด้วยกันไม่ได้ทาตัวเป็นกลุ่มนอกกฎหมายไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาต่างๆของสังคมแล้วก็สรุปแล้วก็คือปรับความเผิดให้ตรงกันครับัหมดมันเกิดจากความเห็นที่ตรงกันนะฮะทั้งทั้งทั้งหมดทั้งทั้งาข้อทั้งหมดครับขอบคุณท่านผู้จัดกครับสายที่สามครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับอารครับท่านสภานุษย์ได้เลยครับครท่านสภานุษย์ได้เลยครับอ ผมได้อ่านหนังสือต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะครับถ้าหนังสือเรื่องหนึ่งเล่นหนึ่งครับจินตการมารีปกรณ์ครับหนังสือเล่อนี้อยากจะนักประการท่านว่ามันเกี่ยวอะไรครับมันมีความสำคัญอะไรมากครับโอกครับผมไม่หรอครับมีคาถามข้อเดียวนะครับเคแล้วเราจะแปรเป็นไทยเนี่ยผมยังแปรตรงตัวไม่ได้เลยครับกับตั้ง่าวพังคิวครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคือหนังสือชินตการนะฮะจินการปรีประกรณ์เนี่ยมันก็เป็นประกรณ์ที่เกี่ยวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคพุทธสมัยนะชินะก็อนคือยุคของมุสลเจ้าเป็นหนังสือเขียนด้วยหลังนะฮะรู้สึกว่าแถวแ ถ, วแถวรุ่นเดียวกับพระเนี่ยกับพวกศาสนาวงศาสนาวงกะงกทีประวงกํำลังกาวงเนี่ยประมาณสักประมาณสักพันห้าร้อยปสองพันห้าร้อยรู้สึกจะหลังจากนั้นในชินการเนี่ยครับ ก็ก็ไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรทั้งไรหรอกคือคือถ้าเอามานเอาหลักฐานที่เหนือกว่านั้นนะมาไม่ก็ไม่ค่อชอบอ้างหนังสือแบบแบบนี้นะคือคือมาถือเป็นความเห็นของคนคนหนึ่งนั้นเองครับผมเอ่อมันก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเนี่ยคือคือคื อ, คอถ้าเราจะอ้างมันก็ควรจะอ้างที่ตัวพระเจ้าปิฎกแม้เรายกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เราไม่ได้รู้เองนะฮะก็ออกมาจากพระเจ้าปิฎกมันถ้าอ้างเนี่ยให้มีน้ำหนักไม่อ้างพระเจ้ปิฎกดีกว่าจีนตการไม่เป็นหนังสือของ คนรุ่นหลังเขียนขึ้นห่างจากอัตลกถาเป็นเป็นประเภทเขาเรียกปกรณ์พิเศษอ<ม>เป็นประกรณ์พิเศษครับผมคนคนรุ่นหลังอะมากมากเลยนะถึงจะเขียนเดี๋ยวพม่าหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ อ, อ, อ่านแล้วก็ไม่มี อ, อะไรหรอก ค, ครับ่าครับขอบคุณท่านผู้ชครับโซนสองสองสี 2, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 5, ส่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับโทรศัพทสอบถามปัญหาธรรมะกข้มาได้นะครับท่านจู้ชมครับ อ, อขอสายที่สี่เลยนะครับมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะรับผมฮัลโหลชักจะสอบถามได้เลยครับ อ, อยาจะเรี่ยงถามหลวงพ่อเนะะี่ยค่ะว่าโดยฉันมาทํางานอยู่ที่วัดเป็นแม่ครัแล้วก็คือเป็นมีหน้าที่ทํากับข้าวถวายนะแล้วก็เช้าเช้าเนี่ยบางทีพระบินทบาทมาแล้วจะจัดอาหารถวายพระแตนเหลือจากอาหารเศษอาหารที่เหลือจากที่นพระฉันหลังเพนแล้วเนี่ยฉัน ฉันเอาไปให้คนที่แบบว่ายากจนแบบว่าผู้ก่อสร้างคนทา ง, งานเพราะฉันเคยเคยย่าเซนมาก่อนครรับคับแล้วก็ผิดไหมคะต่อครับคุณผู้ชม <c oughs> มีข้อเดียวนะครับอีกข้อหน่งค่ะก็อย า, ากจะเรียนถามว่าจากเุ ก, การาชที่แบบว่ามีฉึนเห็นคนที่ว่าเอาเศษอาหารของพระคือเข้ามาเอาท้วยว่าแต่เขาไม่อยากเป็นแจกขายก็เอาไปให้ใหลาเนี้ยเป็นธุรกิจไม่ทราบว่าชั้นกับเขาเนี่ยอันไหนที่ว่าจะ อ๋อัารไหนจะมีบุญมีบาปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับก็ไม่มีใครทาบาปทั้งคู่นั่นแหละนะฮะอาหารฆ่าฉันจกก็ถือเป็นเดนฮะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงสัตว์มันก็ดีอีกแบบหนึ่งเอาไปช่วยคนมันก็ดีแบบหนึ่งคนกับชีวิตสัตว์กับชีวิตนะฮะมันอยู่ที่เจตนาแต่เจตนาที่จะเอาไปเลี้ยงสัตว์เพื่อขายนั่นก็แสดงว่าเจตนาก็ไม่ไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่เราไปช่วยคนก็ดีนะฮะก่อนโฆษณาไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรื่องอาหารที่เป็นเดนแล้ว อ๋ครับผมครับขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งครับโทรัพทสอบสถามปัญหาได้มาขึ้นมาได้ครับถ้าคุณจครับแฟนรายการหลายตั้งสอบถามว่าตอนนี้มีหนังสือเล่มใหม่จะออกมาไหมครับถ้านใจก็ยาจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะอ่านก็ตอนนี้ที่จริงก็กำลังกำลังสั่งทำอยู่นะก <c oughs> ําลังสั่งทำอยู่แต่ว่าจะเป็นหนังสือที่หนักไปในด้านการเผยแพร่ครับแล้วก็ อีกเล่มหนึ่งก็คงจะห่างหน่อยนะกำลังคือมันมีปัญหาไอ้ค่าพิมพ์มันชอบอ้าพีมันชอบก็เลยงานก็ชอบไปหมดเลยครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมครับผมสายที่ห้ามารออยู่ครับสวัสดีครับเฟร็ดการครับเอ้นักแตนพระเด็จที่คุณพ่ออยากจะถามปัญหาถามเพื่นหน่อยแต่มาทานสีหก่จะเข้านอนเลยหรือว่าก่อนออกไปทํางานอย่างไหนจะมีอันสูงมากกว่ากัน ก น, นี่เลยครับครับผมขอบคุณมาครับคือก่อนก่อนออกไปทํางานตรงกันนี้สูงมากกว่าที่เราตั้งใจสํารวมระวังเนี่ยก่อนนอนราหลับเลยเนี่ยอก็นอนหลับเลยเราก็ไม่ได้ตั้งใจสํารวมวังพรสศีนเนี่ยมันอยู่ที่การสํารวมระวังการไม่ล่วงละเมิดทีนี้เราลหลับเนี่ยมันมันก็ไม่ล่วงละเมิดอยู่แล้วอะ<ช>วันถ้าจะสมาทานควรจะสมาทานก่อนไปทํางานจริงๆก็ศีนห้าในควรจะรักษาเป็นนิดดีกว่าเพราะว่าเรื่องมันไม่สลับซ้ออะไรแล้วกับสังคมปัจจุบันเนีครับ ก็พยายามรักษาให้ตลอดชีวิตแล้วให้ให้ลึกหน่อยจนกลายเป็นเมตตากลายเป็นสัมมาชีพกลายเป็นสังเวชในการกลายเป็นสัจจะกลายเป็นสตินะพัฒนากันไปเรื่อยๆครับขอบคุณการบ่งสาธิหกมาตลออยู่ครับสวัสดีค่ะเฟลการครับสวัสดีท่านเจ้าคุณพระเจ้าแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรค่ะครับแล้วรบกวนผู้ด่นดังนิดนึงนะครับพอดีท่านอื่นจะได้ได้ยินด้วยครับ อย่างนี้นะคะอย่างคําว่าทีอว่าพระให้พรหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้พรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นว่าขอคุณพระศรีพระรัตนใจนะเจ้าค่ะกับพระศรีลรัตนใจค่ะอ๋อครับครับอันไหนจะถูกใช่ไหมครับค่ะอันไหนที่จะสมควรนะเจ้าค่ะครับผมครับขอบขอบอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะครับผมขอบคุณมากครับก็ใช้ไปเจอโยมก็ใช้ทั้งสองัามั้งแหละ แต่ภาษีรัตน์ไตรมันก็เป็นภาษาไทยที่ปนปนสันนิษฐ์นะเป็นภาษายเป็นเป็นเป็นป น, นสันนิษฐอยู่ก็เป็นวิธีตั้งจิตปรารถนาของอนุภาพของของของคุณภาษีรัตนตรัยครในเกิดสิ่งที่ดีงามแก่บุคคลทั้งหลายเรารจะใช้คําำรัตน์ไตรเฉยๆก็ได้ภาษีรัตน์ไตรเฉยๆก็ได้คือสีนี่ยิงใสหรือไม่ใสไม่ได้แปลกอะไรแต่ทั้งกรมชอบไทยจะใส่คําว่าษีอันหมายไทยไทยเราหมายถึงสิริมงคลมิ่งขวัญ แต่ว่าสีจริงๆเนี่ยก็ความหมายถึงนายอ่ะมิเตอร์ก็ก็ความหมายในสังคมอารยันสังคมแขกทุกวันเนี่ยหมายแค่มิเตอร์กันเองเช่นสีเยาวราณเนรูเนี่ยฮะก็คือนายโอ้ยายาวราณเนรูนันเองขอบคุณท่านผู้บริจับสายที่เจ็ดมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับนักประชาการหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าอ่า การรัษาให้ดีครับอะไรนะจับเดี๋ยวได้เดได้ครับยไม่เ็นครับเจ๋งครับุลนเทวดาเนีครับโอบทสมาในพระิผู้กับครับครับผมจาบกนทนการแล้ขอบคุณนะครับับผมครับบทสวุเทวดาครับคือการจุลนเทวดาในมันสืบเนื่องมาจากการขอพรของท้าสกะเทวราชครับผม บอกว่าเวลาพระจะจะเทศจะสั่งสอนอะไรเนี่ยช่วยบอกให้เทวดาได้รู้ด้วยเทวดาจะฟังฟังด้วยว่าทั้งหมดจริงจริงก็เป็นประกาศ บ, บอกข่าวเทวดาตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนจนจนถึงจักรวาลเลยนะแล้วก็บอกเรเนี้เป็นการวางทําแล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายเรนะนี้เป็นการวางนําแล้วก็คอยมานะสมัยโบราณก็มีดาดเพดานไว้ข้างบนด้วยนะฮะเป็นที่ประทับของเทวดาแต่ทุกวันเขาไม่ทำแล้วเพราะก็ก็ ก็เชอมก็ฟังทำนะไม่จะเสียหายอะไรเนี่ยครับคุณกรับทื่นตัว่ครับสายที่แปมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับสวัสดีครับกราบมรดกการพรรมคุณด้วนะครับกราบเอออยากจะถามว่าอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพิธีแรกหนาขวัญของอพระเจ้าสุโตวงมากกับพิธีแรกยนาขวในปรจจันของในหลวงเรานี่เหมือนกันไหครับผมครับแค่นี้ครับสรับก็ไปได้ครับคือคือแนวของเรามันประณีกว่า อย่างนโบราณก็ก็มันไม่ค่อยปรนนีตอะไรทลัยหรอกแต่ของเรามันผสมผสานเยอะนะฮะเป็นวัตนธรรมของพราหมณ์เป็นของพุทธเป็นของไทยอะไรแต่ล ะ, ะมาผสมกันก็เลยก็วิจิตพิสดารกว่าแต่ว่าเจตนารมก็ก็เหมือนกันนะฮะไต้องการจะบูชาพระแม่โพสพบูชาเทาพเจ้าเพื่อเกิดสิริมงคลเพื่อธทรมหากินอยู่ดีมีสุขเนยเป็นะเจตนานเดียวกัน แต่ว่ารูปแบบก็อาจจะต่างกันแต่ว่าเจตนาเนี่ยก็เหมือนกันตอนเราก็ข้างพิจาณของาพิจาณาอเราพิจาตรงนั้นเนี่ยเรามาเกียนเราก็พิจารของแขกอครับขอบคุณครับศูนสองสองสี่หนึ่งสมสามหห้านะครับเรารับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาทั้มากข้มาครับท่านกับผมสายต่อไปสัญ้าวับมาอย่างไม่ขาดสายครับสวัสดีครับราารครับครับสวัสดีครับ นนครับเออ ล, ลูกควรพูดดังๆนิดนึงนะครับเพราะที่สายค่อยมากเลยครับครับเออขอโทษแต่ ว, วผมต้องความอยากฆ่าเราพระเนรไปทำบาปตกในบ้านหรือสาวบาสตกในบ้าน ค, คนโดยหลงังเขาเดี๋ยวจะต้องสรวดแต่อย่างงั้นอย่างนี้มันมีหลักฐานยังไงครับอ <c oughs> แล้วอีกข้อนึงครับครับผมครับผมแล้วก็อ่อาการที่ว่าทางเถระธรรมคมอะไรจะห้ามคนที่ มากินเหล้าหรือว่าเล่นการพนันในวัดมันเป็นอบาลที่พระพุธศาสนาได้ตั้งเอาไว้จะทำไงครับครับผมบขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับเออคือทำบาทตกเดมันเป็นวิธีในสมัยโบราณนะฮะเช่จ น, จนเช่นเขาบอกว่าไปยา อย่าไปเล่นไม่ขีดนะประเดียวออะไรอะเทว ด, ดาจะเผาบ้านอะไร <c oughs> ตัวนี้คือมันเป็นวิธีหลอกของคนโบราณเนี่ยเช่นว่าเด็อกอย่าให้ไปถ่ายหเห็นการอะไร <c oughs> ต่ัเนี้มันมันเป็นวิธีอเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งเพื่อพระละมัดระวังย้ายบาตรมันตกเพราะบาตบาตดินตกก็แตกถ้าบาดเหล็กตกตกก็บุบสลายครับ นะแต่ว่าที่จริงไม่ไม่ได้บาดเปิดอะไรแล้วมันใช้เสียงเฉยเฉยเสียงอุบาทไงบาดเนี่ยมันคิดเป็นอุบาทแล้วบาดมันกคนละบาทแกัน่ะแต่เพราเป็นเป็นวิธีเป็นวิธีขู่ไว้เกิดการสารวจระวังอะไรนะครับห้ามแต่ไม่จริงที่ทว่ามหาธิรสมาคมเนี่ยคือคือประชาชนต้องมองนะว่าที่จริงเราห้ามมานานแล้วแต่อย่าลืมว่าพอถึงหน่วดย่อยก็จริงเนี่ยคือชุมชนตรงนั้นแหละแล้วคนนี่มาดื่มเหล้าในวัดก็คือคนข้างวัดนั่นแหละ ครับแอ่ทีนี้ถ้าหากเราพูดกับคนตรงนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยเขาก็คนทําไมนี้มันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่ น, นะฮะครับทีมปาวัดเลยบางทีมันนั่นเราเลยเพราะงั้นก็พยายามพูดหลวงพ่อที่มีบารมีเนี่ยท่านก็ยังทําได้อยู่แต่วัดบางวัดเนี่ยเขาก็ไม่มีบารมีนะแล้วก็ไปไปพูดกับคนเมามันไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะงั้นมันก็พูดได้เฉพาะบางคน่นั้นเอง ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอะไรแต่ไรมันก็เกิดธรรมเนียมอะธรรมเนียมของสังคมมาบางท้องถิน่นเล่นการพนันก็ได้ดื่มเหล้าก็ได้นะฮะก็ถือว่าช่วยข้าวศพอะไรแตมม่มันปัญหามันเยอะ <c oughs> ปัญหาขนบธรรมเนียมประเพณีญ <c oughs> าตรีษของท้องถิน่นพอเราลงไปหน่วยย่อยจริงๆเราเรานั่งพูดบนโต๊ะมังพูดได้แต่ภาคสนามมันไม่จะอยู่บนโต๊ะมันอยู่ที่ท้องถิน่นอยู่ในช น, นบทจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นฐานวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันจะต่างกัน รพอลงพระสนามจริงๆแล้วเรื่องที่พูดบนโต๊ะนี้เรื่องเยอะที่ทําไม่ได้นะคือเราต้องลงไปพระสนามดูว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างอาตมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาตมาพอคนดื่มเหล้าเราเดินบนถึงคุยเลยครรัับบคคุยอยู่บนวงวงนั่นแหละมันก็เห็นหน้ามันก็เกรงใจล่ะเพราะวันนี้จากกันแต่ว่าที่อื่นเราก็ไม่กล้าพูดเราพูดได้เฉพาะต้องถิ่นของเราแตนเด็กอ่าเด็กแบบคนพระฟังเทศแล้วก็คุยเนี่ยเราก็หยุดเลย แต่เราก็ทำได้เฉพาะวงแคบๆครับงแคบๆว่าเรารู้ว่าคนแถวนี้เราพูดได้แต่มันไม่ใช่พูดได้ทุกแห่งครับครับท่านเจานอาจารย์กับสายที่สิบมารออยู่ครับสวัสดีครับ่การครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ่อราการครับครับเออครับสวัสดีครับชิญสอถานที่ไหครับครับผมชสอถามได้หนะครับ ครับโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสสาหนึ่งห้าครับสายไม่ดีนิดหนึ่งนะครับเอรียกคุณแฟนในการสักครู่นี้นะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับสายไม่ค่อยดีมาแล้วนะครับสายที่สิบครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับครัผมเมขอผมขอรับราชการหลวงพ่อแล้วก็เอ่อ คุณจากอะไรนนะครับค่ะผมผมจะถามว่าเราบบเราบางคอหลีวิทยุทางบ้านก่อนนะครับเสียงจนแซงนะครับครับผมได้ถามว่าครับผมเอเวลาเวลาเราปลู่บ้านเนี่ยปลูกบ้านครับผมจะเอาจะเอาตากตั้งเป็นรุ่งพะ้ะอ่ะจเอาพระเจ้าไปไว้ที่บ้านได้ไหครับแล้วก็เราเราไม่เอาแบบไม่เอาแบบว่าแ า, า่ก็ปลูกเอา เอาลูกเอจ้าเอาเอาเอาเป็นซุ้มเลยใช่ไหมครับครับส่วนหรูไม่ง่แทนสารกจ้าภูมิใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะครับกอครับผมมีมีมีมีมีข้อเดียวนะครับครับครับขอบคุณมากครับก็ก็ไว้ที่บ้านก็ได้นะฮะไว้ที่บ้านอย่าไปไว้ปลายเท้าก็แล้วกันนะฮะไว้ในห้องนอนก็ได้ไว้ในห้องรับแขกก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับหรือถ้าบ้านใหญ่ใหญ่นอนก็ทําเป็นห้องพระไปเลยก็ดีนะะก็ก็ ถ้าทําได้มัก็ดีตรงนั้นนะครับขอบคุณครับผมสายที่สิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับฮัลโหลหนูอยากทราบว่าเอไปทำบุญทำสังฆทานที่วัดนะคะครับผมแล้วเขามีชุดชุดตั้งตั้งตั้งตั้งทำบุญนะคะเดี๋งเราจะได้ดินไหมคะเพราะเดี๋ยวใช้ซ้ําๆกันนะคะสทำด้วยตัวเองจะดีกว่าไหมคะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคือสังฆทานเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าสลดนะนะ คือถือโยงลงไปซื้อมันดูก็แล้วกันนะซื้อสังฆทานเด็กเขาวางกับป๋องขายนะแล้วซื้อมาแกะดูแลโยนจะเห็นว่ามันควรจะถวายพระหรือไม่ครับผมเพราะว่าจริงๆมันมันมันเป็นอามายังนึสงสารคนนะครับ <c oughs> สงสารคนขายสงสารผู้ซื้อแล้ะสงสารพระด้วย <c oughs> เพราะว่าเราซื้อไปเราาถวายไปแล้วเนี่ยพอเราเปิดดูเนี่ยไม่รู้จะเอาไปไหนครับ <c oughs> เอาใช้ก็ไม่ได้เอาแจกก็ไม่ได้บอกว่าของมันเรียกว่า อามาว่ามันมันประมาณตั้งหกสิเปอร์็นต์นี่จ้าไม่ได้ของหมดสภาพหมดอายุของที่เขาไม่ใช้อ่ะเช่นชายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช้่ทีบางทีก็เอาไอ้ขันสีเหลืองๆไปคว่ำก้นไว้แล<ต>้วมันก็กลวงดิใช่ไหมแล้วก็ล้นอยู่ข้างบนนะรรเราหิวดูก็จะรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อไปเลยโยมซื้อเองซื้อสดๆดูว่ามันหมดอายุละยังอะไรตัเนี้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไป จัดอย่างนั้นหรอกมันไม่มีหลักการอะไรที่ว่าให้ชาวบ้านคน อ, อื่นก็จัดให้ถ้าเราต้องการทําสังฆทานเราก็จัดเองสิทำไมร้านไม่จัดให้ทําไมครับเราคุณต้องการถวายอะไรเราแล้วลที่เขาจัดคุณรู้หรอมันคืออะไรอ่ะเวลานี้มันเพชรข้าวกรอบมันบริษัทอะดูะไม่เห็นนะวันก่อนลูกศิษย์ก็มาเนี่ย ม, มันที่จริงความรู้มันสูงปัญญาโทนะครับเอามาถวายมาสงสงสัยทาไมมันมันก้าวหน้าได้เกิดเปิดดูครึ่งหนึ่งไม่มีอะไรเลย ว่างเปลเลยครับพับกระดาษเอาไว้พับกระดาษเอาไว้ได้จีวรแปะไว้ข้างบนนะครับท่านครับข้างในไม่มีอะไรเลยกลวงเลยครับท่านครับและก็จีวรก็ใช้ไม่ได้ด้วยจีวรครับแล้วมันมันมันไปห่อด้วยผ้าสีเหลืองไงโอสีเหลืองก็ดูข้างนอกมันนะครับท่านครับว่านเรื่องอะไเนี้ยเขาจะผ้าใยลวงมาตั้งแต่โบราณนะครับท่าครับแล้วสังคมเราก็โดนต้มอยู่ได้ตลอดซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็พระก็อึดอัดนะแต่รับไปแล้วไม่จะทําไง S <S จะแจกคนก็ไม่ได้จะใช้ก็ไม่ได้กองไว้ก็กรกซื้อเองเลยโยมซื้อสักอย่างของอย่างก็ซื้อไปเถอะอย่าอย่าอย่าไปให้ข้าต้มให้เราทำบุญเลย <S <S <c oughs> คือทบุญต้องฉลาดรพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิจัยยดานังสุกตับประสัทถังกราการคข้ควรพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทาที่ตถ า, าคตสัสนติครับ นั่นคือหลักการครับครับท่านตุณเด็กเสรีผู้กำก็สอนพวกผมอยู่ประจําว่าเวลาทําบุญหรือว่าถวายของพระต้องประนีตในการให้เป็นเครือ่อง<ช>บุญครับใช่ฮคือเขาเรียกว่าสัพพุริสถานนะฮะครั บ, ค, รบคือให้ของที่ประนีตให้ด้วยความเคารพของนั้นมันต้องเกิดประโยชน์ครับมันไม่ใช่ว่าเอาของที่ไม่มีประโยชน์ไปให้ครับก็ตัวเองก็จ่ายเงินเปล่าับใช่ไหมคนที่หลอกมันก็รวยไป ครับแต่ว่าตัวเองก็จ่ายเงินฟรีแล้วก็พระก็ไปรับของมาแล้วก็ลําบากลําบากใจทิ้งก็น่าเกลียดใช่ไหมแต่เก็บไว้ก็ไม่ได้จะเก็บไปทำาอะไรครัาจาครับมันมันมีปัญหาเยอะคขอบคุณ่มาว่าทำายังไงประชาชนผ่านธ์ญาตโยมไม่รู้กันวันก่อนในช่องสามกาเอามาทดสอบให้ดูเลยโอ้ที่ที่ที่กําลังอ่านข่าวเลยเขาวอกให้ดูกระป๋องเหลืองเนี่ยมีอะไรบ้างให้คนไปดูเลยเนี่ยครับมีอะไรมากครับ ก, ก็ช่วยกันหน่อยติสื่อสารมวลชนพูดกันเสนหน่อยคืออยาให้คนพวกนี้ไปหากินกับความศรัทธาของชาวบ้านเลยถ้าอย่างไรถ้าเกิดแฟนรายการทุกท่านนะครับเตรียมของไปถวายพระเองด้วยความปานนี้บรรจงนะครับก็จะทำให้กุศลผลบุญที่ท่าน น, นะฮะก็ได้รับ แบบเต็มๆเลยนะครับท่านครับดีกว่าท่านเอาสิ่งที่ไม่ดีไปถวายพระท่านนะครับก็จะทำไได้คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องราคาแพงนะยาสีฟันกระแปลงแต่อันหนึ่งใช้ได้แน่นอนสบู่สักก้อนหนึ่งก็ใช้ได้แน่นอนอย่างเงี้ยผงสักพอกสักกล่องหนึ่งอะไรเนี่ยคือคือไม่ไม่จําเป็นจะต้องมากทําตามศรัทธากำลังทรัพย์ก็พังศรัทธาแต่ว่าของนั้นต้องเกิดประโยชน์ก็ถูกต้อง เวลารอที่ฐานเนี่ยอามากังทีรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วกุณให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมันจะเกื้อกูลคุณได้ไงโอ้ครับครับประเด็นนี้มีประโยชน์มากเลยครับท่านผู้ใจกรับสายที่ครับผมซูนสองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสายที่สิบสองครับสวัสดีข้าพเจ้าการครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมเอ่อแย่ป้าถามหน่อยนะคะครับผมถามปัญหาหน่อยคือว่าป้าเนี่ยเป็นคน ตัวเองก็รายได้น้อยหากินก็ม่เก่งก็มีความรู้สึกว่าทำบุญเนี่ยนะคะใส่บาก็ <c oughs> ก็ชอบใจนะคะแต่ทีนี้เห็นพระเนี่ยท่านได้อาหารเยอะมากเลยก็เลยมีความคิดว่าอาเก็ดปัดจจัยเอาไว้ช่วยพระสร้างวัดที่ชนบทจะเป็นความทุกขที่ เป็นอกุศลหรือเปล่าครับอ้โครับผมครับเป็นเดน่นในทางวิทยุนะครับคุณป้าครับคือคือโยมก็เข้าใจว่าการให้วัตถุทานเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหลายๆา ย, ยร้อยเรื่องอหลายร้อยเรื่องของบุญครับนะในสิบบุญยักษยาวัตถุสิบแม้แต่ทานเองเนี่ยเราจะว่าอภัยทานก็ดีกว่าวัตถุทานกรรมาทานก็ดีกว่าอภัยทานเห็นไหมเราไม่ต้องจ่ายสตังกรักบาทเนี่ย บุญยิ่งมากจริงไม่ต้องจ่ายสตางโยนต้องจับประเด็นให้ได้บุญนี่มันอยู่ที่กรารชำระล้างกิเลสลดโลภะลดราคะลดโทสะลดบุหะลงไปได้เท่าไหร่นึงคือบุญมากพะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปจ่ายสตางหรือไม่จ่ายสตางไอแนวความคิดที่ไม่ไม่ตักบาถึงว่าพร ะ, ะได้รับมากนั้นคือมันเรื่องของเขาที่าาก็ตัก อ๋อไอการที่คนตักบาทมากมันแสดงวัดน้อยพระน้อยคนตักบาทมากของมันก็มากหรือว่าเทศกาลครับครับนะทีนี้เาตามปกติแล้วเมื่อพระท่านได้ไปนั่นท่านไม่เอาไปสั่งคนเดียวมันก็มีการแจกแบ่งกันนะไปถึงจุดหนึ่งมันก็มีวิธีการจัดการมันเกิดประโยชน์ได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําก่อสร้างอะไรก็ดีขออนุทนาเถอะแต่ว่าเมื่อโยมเศรษฐกิจไม่ดีอยากไปคิดเรื่องจ่ายสตางค์ ยงนี้ได้รักษาศีลที่แผ่เมตตาที่ไม่โกรธที่แสดงมีความน้ำใจตักเตือนว่ากล่าวคนอื่นอะไรแต่ให้เหตุให้ผลเนี่ยทำไปได้ทุกวันเนี่ยทำบุญอย่างนี้เถอะอย่าไปสนใจเรื่องเงินเงินทองมากเกินไปเดือดร้อนเุรษฐกิจไม่ดีอยู่ แล้วกับคุณท่านคจันครับศูนย์สองสองสหนึ่งสามสมึงห้าะครับท่านคุณจันครับมนักศึกษากขถามมาว่าฝากฝากถามทคานคจนะครับว่าอย่างทานศีลภาวนาเนี่ยครับทำไมถึงว่าเราทำทานเนี่ยน่าจะได้บุญมากนะครับให้เงินไปเตมเยอะต่ไมถึงภาวนาถึงจะได้บุญมากที่สุดใช่ใช่คือว่าบุญเนี่ยแปลว่าหนึ่งคือการชำระล้างกิเลสบุญนี่คือสิ่งที่ชำระล้างกิเลส คนนี่คือกว่าเกิด ค, ความเปลี่ยนแปลงทางจิตมีกายสะอาดขึ้นมีวาจาสะอาดขึ้นมีจิตสงบขึ้นมีจิตสว่างขึ้นนะไอ น, นี่คือบุญแล้วก็เราก็สุขที่เมื่อกิเลสมันลดเราก็บินสุขเพราะว่าบุญก็คือคื อ, ค, อคือความสุขอ่ะคที่เราสัมผัสในขณะนั้นนั้นอะวันการให้ทานเนี่ยอย่างเนี้ยยงโยมว่าเนี่ยเห็นะพอผลท้ายได้ใหแ้แล้วเกิดเสียดายแล้วเกเดือดร้อน เวลานั้นมันจะอ่อนไหวง่าย<อ>เรื่องฐานเนี่ยก็ครับอ่อนไหวง่ายเพราะว่ามันไปกระทบฐานะทางเศรษฐกิจแต่ว่าคล่องๆตัวเงินเยอะๆก็ทําไปเถอะมันก็ดี ก, ก็ก็ช่วยกันคแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมนี่ทำเรื่องอื่นเถอะเราะศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรักกิ่เลย่องเยอะศีลห้าข้อเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยล้โลกกูหลงทั้งนั้นเลยนะทีนี้พอภาวนาเน่หมดเลยมันหมารวดเลย ละทั้งราคะโลภะโทสะโมหะเรานั่งให้มีมีสมาธิดูเดียนไม่เห็นมีกิเลสอยู่ภายในจิตใช่ครับอย่างน้อยในขณะนั้นกิเลสมันก็สงบมันก็เป็นบุญเนี่ยบุญบุญก็คือสิ่งที่จําระล้างมีผลเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นครับผมบุญก็มากกว่าใช่แล <c oughs> <c oughs> ้วเวลาถี่ยงอันนี้มันมีเวลาเนี้ยมีคนมาเล่าถึงว่าในที่บางสันนักบางสันนักไปคิดบุญเป็นตัวเงินนะ อันนี้คือคือคนสอนก็โง่นะคนฟังก็โง่โอ oh, แล้วหลอกลวงชาวบ้านเขาเนะี oh. มันไม่มีที่ไหนพระเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้ <laughs> าใช้หลักเยว่า <laughs> เมื่อคุณจะทําทานเนี่ยหนึ่งคุณต้องดูกําลังทรัพย์กับกำลังศรัทธาของคุณครับ <Okay. S 2> ถ้าศรัทธาคุณมากทรัพย์น้อยคุณให้ตามกําลังทรัพย์ครับ <Okay. S 2> ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากคุณให้ตามศรัทธา <Okay. S 2> ถ้าน้อยด้วยกันนะสองฝ่ายก็ยังไม่ต้องให้ก็ได้แต่ถ้ามากด้วยกันนะสองฝ่ายจะให้ตามอะไรก็ได้ เพราะให้แล้วเนี่ยบุญคือมีความสุขสบายใจเป็นผลได้แล้วมีความเติรดร้อนใจเป็นผลเขาไม่เรียกว่าบุญครับนี่เรียกว่าบาปดังนั้นไอ้บุญบาปเนี่ยมันดูง่ายนะบุญก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้กูลแก่เราเป็นประโยชน์เกื้กูลแกคนอื่นที่จริงมันมันเริ่มมาจากว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนแม้แต่ตนเองนี่คือบุญ <C ups> มันเลือกตรงนี้ครับใช่ไหมต่อไปก็เป็นประโยชน์แกตนเอง <C ups> เป็นประโยชน์แกคนอื่นเป็นประโยชน์ทั้งแกตนเองและบุคคลอื่นบุญก็สูงขึ้นครับท <C ups> ีนี้ถ้าประโยชน์เหล่านั้นมันยั่งยืนเ <C ups> ช่นเราให้อภัยเขานี่มันยั่งยืนให้ธรรมะเป็นหลักดำเนินชีวิตเขานี่มันยั่งยืนเพราะฉะนั้นผลมันก็ยั่งยืนบุญก็มากใช่รับทีนี้เราให้ทานเขากินหมดก็จบแหละ ใช่ไหมผลมันไม่ยั่งยืนครับผมทีนี้อย่างยันที่บอกไว้วันก่อนเนี่ยว่าการให้วัตถุสิ่งของที่ผลมันยั่งยืนพระเจ้าบอกว่ามบือก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะมันยั่งยืนไงมันยั่งยืนจะมาสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมันไม่รู้จะ ก, กี่ปีอ่ะครับแล้วก็เกิดบุญทุกครั้งที่มีการใช้สอยสถานที่เหลนั้นอผลการการให้วัตถุจึงชื่อว่าให้ทุกอย่าง วัตถุคือให้จี่สสาให้อาคารสถานที่อะไรอะไรด่านถนน้นทางปลูกต้นไม้อะไรอะไรก็ไม่รู้กุดบ่อกุดสะเป็นที่อาศัยแก่สาธารณชนแล้วก็เป็นบุญขอบคุณท่านเจ้าพนจกงานครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับแฟนราการครับอยากจะถานธรรมะเรื่องสิบพระพุทธเจ้าเทธรรมะธรมนิกฐากับเรื่องของพยศห้าสิบองค์น่ะก หมายตาไม่ยังไงอยากจะรู้เรื่องข้อที่หนึ่งนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ข้อที่สองก็โมเนยะโกราหนเสียงประกาศจิบกล้องว่าภายในเจ็ดปีจะมีผู้ประกาศโมเนยะโกราหนเกิด ah ขึ้นในโลกหมายหมายถึงไทยใช่ไหครับครับเออคือที่พระยศเนี่ยฮะพระยศทั้งห้าสิบ้า ค, คนนั่นแหละทั้งห้าสิบ้า ค, คน ตังพยาศยะศวิมาลลาสุภหุปุณณชีขวัมปติแล้วเพื่อนี่หสิบคนนี่ ค, นนนคือแสดงอนุบุพิกถาคือผู้ริทานผู้ริ่มศีลผู้ริสวรรคผู้โทษของการมผู้อนสงของงานออกจากการแล้วก็ไปแสดงอริสัตถเหมือนกันทั้งหมดเหมือน <c oughs> เหมือนกันทั้งหมดธรรมะชุดเดียวกันแต่ว่าคนฟังก็เปลี่ยนแปลงไปเโมนยะปฏิปทาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของพระนาล ก, กะพระนาล ก, กะมันมันเป็นปฏิปทาของผู้นิ่งครับ นะเป็นผู้นิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าแบบอุกฤษเนี่ยคือพระนาละกะเป็นหลานก็อสิดาบทกันลาเทวินอะ่ะเราอยู่ไม่ได้กี่วันรู้สึกจะเจ็ดเดือนดะ้ไรก็ออกรณีผ่านไปครับผมแต่พระเจาา้าอโศกท่านไม่ชอบท่านบอกว่าพราะไม่เทศสอนที่เราไม่ชอ บ, บ <laughs> ตอนพระเจ้าอโศกไปไหว้เจดีย์ก็ท่านเนี่ยท่านท่านบูชาการแค่เดี่ยวท่านบอกโอ้พระไปนั่งเฉยไม่พูดไม่จายงี้เราไม่ชอบเราชอบไ้พระเทศสอนเราชาส่วน เลยวูญญนี <Wasn 't S 1> ้เ <Basket> ดี you, like you right? ่ยวภาษาทีรบูชาได้เยอะเลยเพราะกระนั้นก็ก็เป็นเป็นเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามันมันในศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งนี่จะมีพระสาวกองค์หนึ่งที่บําเพ็ญมูลนิยะปฏิปทาครับมูลนิยะตรงนี้นิ่งนะฮะคือคือคือสงบนิ่งไม่พูดไม่จาอะไรก็ไรมูนิยะปฏิปทาแต่ว่าอ่มูนีก็มูลนิยะก็คือ ทำเป็นเหตุให้เกิดความรู้เป็นผู้รู้นะฮะ ม, มันก็คาเดียวกับ ม, มูะนะเนียเนี่ยนี่ก็รู้ขอบคุณท่านผู้ใจกับสาที่สิบสี่มันรอยอยู่ครับสวัสดีข้าพเจ้าราการจรับสวัสดีครับโครับ<ะ>ผมสวัสดีท่านผู้จัดรายการนะคะแล้วก็าบาทแลมัทสการหลวงพระประเทศค่ฮะฮัลโหลแล้จะสอบถามได้เลยครับอ่าจะถามปัญหาต้องามข้อนะคะครับผมข้อหนึ่งค่ะอ่าพระพุทธเจ้าที่ ที่ว่าปัจจุมามนี่นะคะเป็นการอุปมา ห, หรือว่าทำเรื่องจริงค่ะข้อที่หนึ่งนะคะครับผมค่ะข้อที่สองเคยได้ฟังพระเทศบอกว่าไม่ทําบุญและไม่ทําบาปก็ถือว่าเป็นนิพพานจริงไหมคะครับผมข้อสองนะคะแล้วก็ข้อสามถ้าที่ไปเป็นพระธรรมทูตตางประเทศนะ่ะเป็นยังไงคะแบบว่าไม่เข้าใจค่ะครับผม ตอบขบคุณมากนะครับตอบสามข้อเลยครับพระพุทธเจ้ามาจนมานี่เป็นอ๋นนคื อ, ค, ค, อคือว่าเราต้องนึกนะครับว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นเน่ยตอนตอ น, ตอนที่เป็นเจ้าชายติตะถาอยู่ก่อนที่จะขึ้นไปประทับบนประเทศวัฒราอ่านที่ภายใต้ต้นอัสสัตตพฤษเนี่ยอท่านบรรลุสมาบัตแปดแล้วครับอราะองั้นมันมันมาอีกห้าอย่างมันไม่มีมันมาจะมาพระชนมพุทธเจ้าเฉพาะตรงนั้นก็คือกิเลสคือคือเตพุตรมาร คือเทวดาวสวัตติมานที่มาประจวพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนี้มาตรงสามครั้งนะมามาก่อนพระเจ้าจะเส ด, ด็จพนวดก็มาขัดขวางแล้วก็ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านประโพยศตัตรูท่านหลงทางอยู่มานก็เฉยพอพระเจ้าจะเอาจริงขึ้นมาท่านก็มาต่อต้านไม่ใช่อุปมานะโยบเป็นเทวบุตรมานเทวบุตรมานตอนนางตัณหาราค า, าคาลาตีก็เป็นเทพธิดามานนะครับ เ, เทพธิดามานในเวนี้เดี๋ยวเราไปพูดอะไรเปเป็นความรู้สึกนึกคิดโดยโดยไม่นึกถึงสภาวะจิต เราต้องนึกว่าเวนั้นสภาวะจิต ท, ท่านอยู่ตรงไหนล่ะท่านอยู่ตรงไหนเวลาอะไรชีดไหนอย่างไรนี่มันก็ต้องมองให้เป็นนาตนาาราคาระตีที่มาประชุมนภุจ้าอุทยาตธรุผ่านมาสัปดาห์ที่แปดแล้วคือเราคือเราเราไม่เคอยอ่านกันแนะ่เราชอบพูดเรื่อยเลยคนเนี้ย อ่าเนี่ยมันถึงพระใจบิดอกจีผู้ถึงพใจบิดกมันมันต้องมันต้องอ่านที่พระใจบิดอกนะครับอะไรอนะ่ะข้อที่สองไม่ทําบุญไม่ทําบาปอ๋อคือคืออนะันั้นมันพูดเรื่องมาหน่อยพระ <c oughs> คือคือละบุญและบาปนี่ยได้ครับละบุญและบาปนั้นกะ็ต่อจากนั้นการกระทําของท่านไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากศัตรูแล้วในการกระทําทั้งหมดมันก็เจะเป็นกิริยาจิตอไม่ได้เกิดบุญเกิดบาปอะไรเพราะบุญบาปมันนาไปสู่สังสารวัฏผู้ใจดังละทั้งบุญทั้งบา เพราะงั้นก็ถ้าบรรลุมรควุลแล้วเนี่ยการทําหลังจากนั้นเนี่ยไม่เป็นบุญมัเป็นบาปแต่ว่าพูดตรงว่าไม่ไม่ทำบุญําบาปภาษามันชนเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกนั้นต้องรับผิดชอบครพูดเรื่อยไปฮะพูดเรื่อยไปเป็สาวพระธทูตที่มีหน้าที่อะไรก็ไปไปตั้งวัดไปอบรมสั่งสอนประชาชนฮะส่วนมากแล้วเราจะเห็นว่าที่ประสบความสาเร็จในต่างแดนเนี่ยคือธรรมทูตสายอินโดนีเซียครับ เพราะว่าสามารถจะเอาคนอิสลามกลับมาเป็นพุทธได้เป็นล้านนั่นนะฮะครับผมแล้วก็ที่อื่นก็ยังยังอย่างนั้นนส่วนมากก็ไปเกาะกลุ่มอยู่กับคนไทยครับพระลงก็ได้เพิ่มมาน้อยเอ่อพระธรรมทูตองนี้ตัวหัวหน้าเพิ่งเผาไปเมื่อวันแปดดินไหวอเผาชี้บรมพุทโธนะครับครับนะแล้วเศรษฐีใหญ่ยยคนหนึ่งที่มีบริษัทอยู่ตั้งสามร้อยกว่าบริษัท จะที่นี่คนเดียนะเป็น <Okay. S 2> เพื่อนประธานาติเดียจะ <Okay. S 2> ไปเาผาบนภูเขาเลยกำลังจะสร้างเจดีออ mm. ืเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปฐมาจานของประเทศอินโดนีเซียคล้ายคล้าพระวารีที่ลังกาครับ <Okay. S 2> นี้เรากำลังจะเตรียมเตรียมต้อนรับอธิธาตของท่านไปจะคุยกับรัฐบาลว่าให้ทําในนามรัฐบาเลเถอเพราะว่ามันมันมีการทูดเขาด้วยแหละ mm. นะเพราะว่าคือเราจะไปมองว่าท่านเป็นราชาคณะชั้นราช แต่ว่าก็นั้นคือหัวหน้าไปทำมาทูตต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จในการปฏิสถานาสูงที่สุดนะสูงที่สุดคือประเทศอินโดนีเซียออินโดนีเซียเปนี้มีชาวพูทเกิดเยอะครั บ, รบวันมรณะภาคของท่านถ้าแผ่นดินไม่ไหวเนี่ยนะคนที่ติดเครื่องบินอยู่ที่ห้องกงที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นลำลำเครื่อบินมาไม่ได้คเครื่องเครื่องบินแผ่นดินไหวได้ก่อนแล้วคนค<ๆ>เฉพาะตัวนั้นเนี่ยเต็นที่นั่งคนนั่ง ตัคนไม่หมื่นครัท่านครับโอ้โพอดีต้องเสียชีวิตที่ัอ น, นอินโดนีเซียสมเด็พระพอินโดนีเซียเป็นพระที่วัดนะครับโอ้โหครับท่านครับกอนนีนคน้คือคือคอามาก็จะจะเป็นกรรมการแต่กวางจะประสาน ร, รัฐบาลในเสร็จงานนี้ก่อนครับผมขอให้ทางรัฐบาลจัดเป็นภาครัฐเถอะเพราะว่าอินโดนีเซียก็ยกทีมมนด้วยอ้โถ้ามาเห็นเราทํากระจอกแล้วตายแล้วเสียชื่อเลยครับผมแล้วเขาชื่นชมกับพระธรรมทูตจากประเทศไทย ประเทศอื่นไม่เอาเฉพาะประเทศไทยครับแล้วเขาก็ทุ่มจนที่กําลังจะสร้างหมาวิทยาลัยให้นะฮะหมายความถ้าเราส่งมารรมทูตเข้าอินโดนีเซียต่อไปก็จะสร้างหมาวิทยาลัยให้คนเดียวคือเขารวยไม่รู้เรื่องไงเซตินีเซตินีเขาาธรรมาทูตในท่านเรียกนางวิสาขาแต่ว่าชื่อจริงก็เรียกอะอาบูอะไรนี่อีบูอะไรก็คล้ายๆคุณนายอ่ะคล้ายๆคุณนายหรือคุณหญิงปัญหาอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ชื่อจริงหรอกครับ อีบูหอาบูเนี่ยภาษาอินโดนีเซียครับเพราพวกพุทธธรรมทูตจึงทําประโยชน์ได้เยอะนะฮะธรรมทูตได้เยอะเวลานี่เราเราเขีนว่ายุโรปอเมริกาในพุทธศาสนาเรากระจายออกไปครับอก็เรียกว่าทั่วโลกอ่ะตอนเนี้ยครับอะาคาบแอฟริกาแล้วนะ่ยคาบแอฟริกาแล้วนี่ะครับแฟนรายการสิ่งธรรมก็บอกว่าหลายๆข่าวก็ไม่ได้ทราบข่าวจากสืทีพมพ์มาให้เลยก็ได้จากคุณอาจารย์นะครับช่วยช่วยบอกข่าวพวกนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวธรรมะหรือเป็นข่าวที่ ยังไงก็แล้วแต่ชาวพุทธเลยนะฮะต้องช่วยๆกันนะครับในเรื่องของการเปิดเผยพุทธศาสนานะครับท่านครับข่าสายที่สิบห้ามันรออยู่ครับผมสวัสดีครับเฟรนด์การครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฟรนด์การครับสวัสดการครผมคนหลีวิ้ที่ทางบ้านกันครับครับผมออยากจะเปียนถามว่าถามว่าไอยม อายะอัมมายตานะครับอตัมมยตาในพุทธพจน์หรือของพุทธทาสครับครับผมคือว่าพระพุทธทาสเน้นคํานี้นะครับครับแต่ว่าอในพุทธพจน์นี่นะครับครับผมเรียนประกาศครับครับขอบพคุณมากนะครับครับไม่ไดอนครับผมคืออตัมมยตานี่เป็นวยพจน์ของนิพพานนะฮะมันเป็นวยพจน์ของนิพพานเป็นคําคําหนึ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มันก็คล้ายๆกับปัจจัยการนะอาทิตจัสมุปปนาธรรมเนี่ยเป็นคําที่เกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าตัวพระบาลีจริงๆเนี่ยเขาเรียกปฏิจจสมุบาทเพราะนามยตาเนี่ยเป็นเป็นเป็นคําที่เรียกโดยสรุปคล้ายๆกระตัดทตาอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านชอบเอาคําดังนั้นมาเล่นเออท่านแปลว่ากูไม่เอากระมึงแล้วคือว่า หมายความว่าไม่มีตัวตน น, นะฮะทุกข์เป็นไงว่าเป็นสภาวะทางจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุยึดมัน่นถรือมั่นก็สภาพจิตของปราชญ์แต่ว่ามันเอาภาษามาตั้งขึ้นก็ทําให้เป็นอุปสรรคในการทําความเข้าใจออจริงๆภาษาเหล่าเนี้ยมันต้องอธิบายครับต้องอธิบายแล้วเอามาพูดมันก็กลายเป็นคำโกโก้ไปอะ่ะ ของกโกไปว่าจริงๆเนี่ยมันมันมันเราจะใช้ภาษาง่ายๆว่าลาบบาบําเพ็ญบุญลำจีระผ่องใสะไม่ง่ายกว่าแหละทำไมต้องใช้ตำมายตาล่ะครับผมครับก็ก็ภาษาที่มันคุ้นๆนะคุ้นๆนะมันตราคาก็เท่ากันนั่นแหละครนี้เป็นวัยพจน์เป็นคาใช้แทนนิพพานหนึ่งในหลายร้อยคําครับแล้วแต่ใครยอาคําไห่มาเล่นนะครับมันเยอะเลยครับขอบคุณครับผมสายที่สิบหกมาหล่ออยู่ครับสวัสดีครับเพื่อนกันครับก็คำสักสองกดครับใช่เลยครับ อย่างข้เลยครับอย่างสังคมอินเดียมมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันบ้างศาสนาพุทธช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรนะนี่เป็นเพราะลิขิตที่หรือโมหะตัวสอข้อสองครับผมอย่างการทาร้าจิตใจนี้จะเป็นแบบแลาจะได้ผลกรรมยังไงการการอะไรนะครับทํารท้าจิตใจครับการการทําร้ายจิตใจนะครับ ช่ครัอ๋อชำละแหละครับอ๋อครับผมครับผมครับแล้วฟังชาววิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับเออคือที่จริงความเป็นชนชั้นในหมู่มนุษย์เนี่ยมันมีกันโดยธรรมชาตินะนะแล่ว่าของอินเดียเนี่ยเขาแบ่งกันโดยกำเนิดนะ แต่ว่าเราแบ่งกันโดยสถานะแบ่งกันโดยตำแหน่งต่างๆเห็นไหมเราก็แบ่งนะฮะแบ่งไปชนชั้นแม้แต่ว่าในข่ายทหารเนี่ยมันก็มีสโมสรของทหารชั้นประทวนทหารสัญญาบัตเห็นะฮะมันมันก็มีชนชั้นนะครันระบบชนชั้นคือมันมันมันนวดแต่มันมีอ่างการมังการสังคมอินเดียสมัยพุทธกาลพระเจ้าสลายหมดแต่ว่าสลายได้ในวงของพุทธบริษัทมันเป็นสลายเขาไม่ได้หรอกอ๋อ คนคนที่เป็นพุทธบริษัททุกวันเนี่ยเขาก็ยังไม่มีชั้นวันนะ้าเขายค่ไม่ถือชั้นวันนะชาวพุทธรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีชั้นวันนะ้าเราก็เรา ก, ราก็ปฏิบัติปฏิบัติในส่วนพวกเราแต่อย่าลืมมาพวกเขาเนี่ยการถือชั้นวันนะเนี่ยเขาจะได้อภิสิทธิ์ต่างๆเยอะเพราะ ง, งั้นพวกนี้มันไม่เลิกหรอกแล้ว ก, ก, ก็ก็หลักธรรมพุทธศาสนาปฏิเสธหมด ว่าคนเราจะเป็นคนดีรหรือเป็นคนเลวเนี่ยไม่ใช่ประชาติสกลุลไม่ใช่ประกำเนิดไม่ใช่ประทัพไม่ใช่ะอะไรต่างนั้นแต่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะการกระทําครับเราเป็นตามที่เราทําเราทําตามที่เราเป็นเด่๋มั้ยการเป็นโจรก็เพราะไป็ลักขโมย <pardon. S 2> คราาาศาศาาับันนวกรณะสักก็ได้วันนาพรามก็ได้บันนาแพรก็ได้แต่ลัขโมยก็เป็นโจรเ ห, หมือนกันคเดี๋ยมั้ยขอเราดมันชัดอ่ะเดี๋ยวว่าเขามันไม่ชัดอ่ะมันไม่ใช่ข้อยุติคครรัับบ อันนี้<อ>เลยสัจจิตใจอ๋อสมัจจิตใจชำระจากกิเล ส, สดกกลิสมัจจิ ก, ก็ได้อานิสงส์อยู่แล้วคือชำระบาปไงว <c oughs> ่บาปส่วนเป็นบุญส่วนเหตุคือการชำระล้างกิเลสออกไปจากใจ <c oughs> แล้วก็บุญส่วนผลก็คือเมื่อกิเลสมันสงบใจเราก็สบายนะฮะเราก็ <c oughs> เป็นถูกมันก็บุญอยู่แล้วส่วนเหุส่วนผลขอบคุณท่านอู่เป็นใจรักษาที่17ครับสวัสดีครับแฟนรายกครับครับผมเดี๋ยวจะผ่านหลวงพ่อนิดนึงเือผมไปคุยกับพระ ที่ท่านเรียนโหราศาสตรนะครับครับผมท่านท่านก็บอกว่าเอ่อโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าพาบ้านเข้ามาขอร้องให้ช่วยให้ช่วยได้หมายถึงว่าสมมติเราคนเขาไม่ถามว่าของหายแบบัวหายหรือฟ้าหายแบยยบนี้ถ้าเกิดว่าระบอกแต่ว่มันเป็นเรื่องของความฝอยให้โยมแบบนี้ครับ ทานที่ไดปุ จ, จักยามสามปาแล้วก็บอกลงไปหลังไปชาไปป่าตรงนี้สิมันเปดูตรงนั้นหรือเปลอันนี้มันช่วยได้เขาบอกว่าเา่ายไปช่วยอะไรพระเราชาาสาสาาา่วยได้เด็กสุดท้านึงที่ที่ผมจะถามก็คือว่าถ้าสมมติว่คนเราเนี่ยมีกรร ม, มันของของตนต้องรับผลของกรรมจรงิงแหะแต่บางคนทำไมถึงไปขอพระพรมพรล่ะฮขอพระพรบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ เ็จเรีบร้อยแล้วเขาบอกว่าเขาคไม่ช่ยอะไรพระ <c oughs> ครับผมกล่าวขอบคุณมากนะครับครับครข้าวแมโหราศาสตร์ก็ท่านเอ อ, อคือคือพระที่พูดอย่า ง, งานั้น <c oughs> ก็ท่านก็หากินโหราศาสตร์นะ <c oughs> แล้วปัญหาท่านบอกได้จริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใ, ใช่ครับแ <c oughs> ต่ก็ก็ก็ไม่จริงอี ก, อกแหละครับเพราะงั้นท่านทาน่ทานต้องพิสูจน์ได้ว่าท่านบอกได้จริงทุกอย่างถ้านบอกได้จริงก็แสดงว่าท่านไม่ใช่โหราศาสตร์แล้วมันเป็นยาแล้วครับ นี่มันเป็นญาณแล้วเป็นความรู้ระดับญาณไปแล้วแต่ทีนี้อย่างท่านหากินโหราศาสตร์เนี่ยแสดงว่าท่านกันก็อาชีพก็ไม่บริสุทธิ์มันมันมันมันมันจะเกิดญาณไม่ได้หรอกอะไรนะกรรมของตนทำไมมันไม่ตอบต้นคือคือมันเป็นระดับกรรมเรื่องของตนเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บริบูรณ์ครับแต่ว่ามนุษย์เราในมุทติภาวะแตกต่างกันนะคือสัตว์มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะบูงสงอ่อนวอนจไม่จีบลักษณะก็ ก็อิงคืออ่อนแอไม่พร้อมไม่ช่วยตัวเองแล้วก็เมื่อยอมจำนนต่อเท พ, พเจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้ตามที่เราต้องการบอกว่าเราบูชาไม่ถูกต้องพระเจ้ายังไม่โปรดเราก็ต้องบูชาใหม่ นะทีนี้พอเราได้ขึ้นมาจากอะไรก็ตามเราก็บอกพระเจ้าประธานให้เหมือนกระดวงอ่ะแหละคมันคือคือคือความเชื่ออย่างนี้มันเรื่องของตันหาวประธานที่สร้างขึ้นแล้วยอมจำนนนะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นอพระองค์นั้นสวยอายุอย่างนั้นให้โทษอย่างนั้นอ้อแล้วไปบูชาทําไมพได้โทษแลวบูชาทําไมอันนี้คือคือคือมันลักษณะยอมจำนนมันเป็นไม่มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองนะคือถ้าเธอสามารถให้โทษได้เนี่ย ก็แสดงว่าตัวก็ทําบาปครับไหมแล้วพระเจ้าทําบาปแล้วไปนับถือทําไมเทพระเจ้าทําบาปแล้วคนชั่วยไปนับถือไหมเห็นไหมมันไม่มีเหตุผลของมันนะไม่มีเหตุผลในตัวของมันแต่เรายอมจำนวนไงเป็นลักษณะการยอมจำนวนการนับถือเทพเจ้าจะมีลักษณะอย่างนั้นมนุษย์ยอมจำนนกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักครับ มือนมืดๆเนี่ยมก็บอกกับผีหลอกก็วิ่งอ่ะกูแตวันนี้เขาก่าอวไปหลายๆสายนะครับที่โทรเข้ามาสายแน่นมากนะครับโทรเข้ามาเลติวันนี้ตอบได้ถึงประมาณสิบเก้าสายนะครับก็ขอบคุณครับจากรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมนะครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ